ดีจากระบบตรงไปตรงมาของฉันทะาส่วนบุคคลผู้มีชันทาเป็นแรงจูงใจต้องการภาวะที่เป็นผลของการกระทำโดยตรงอันเป็นเหตุให้เขามีความต้องการทำดังได้กล่าวแล้วดังนั้นผลที่ติดตามมาจึงปรากฏในทางตรงข้ามกับตัณหาซึ่งจะเห็นได้ โดยพิจารณาเทียบเอาจากเหตุผลที่แสดงไว้แล้วในตอนว่าด้วยตันหาข้างต้นในที่นี้จะกล่าวไว้เพียงโดยย่อกล่าวคือประการหนึ่งม่ทำให้เกิดการทุจริตแต่ทำให้เกิดความสุจริตความขยันอดทนความซื่อตรงต่องานและแม้แต่ความซื่อตรงต่อเหตุผลที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ อีกประการหนึ่งทำให้ตั้งใจทำงานนำไปสู่ความประนีตความดีเลิศของงานเพราะนิสัยไฟสมริดทาจริงจังเอางานและสู้งานอีกประการหนึ่งตรงข้ามกับความสับสนซับซ้อนในระบบและการคอยจ้องจับผิดกันจะมีความร่วมมือร่วมใจการประสานงานและการมีส่วนร่วม เพราะต่างมุ่งผลสมริ์ของงานที่เป็นจุดหมายร่วมกันมีใชยมุ่งสิ่งเสพสเวยเพื่อตัวเพื่อตนที่จะต้องคอยโจกช่วยเกี่ยวแย่งชิงกันอีกประการหนึ่งเนื่องด้วยการกระทำเป็นไปเพื่อผลของมันเองผลจึงเป็นตัวกาหนดหรือชี้บ่งปริมาณและคุณภาพของงานที่เป็นเหตุของมันดังนั้นจึงย่อมเกิดความพอเหมาะพอดี ระหว่างการกระทำกับผลที่พึงประสงค์คือทำเท่าที่ภาวะซึ่งเป็นผลดีจะเกิดมีขึ้นเช่นกินอาหารพอดีที่จะสนองความต้องการของร่างกายให้มีสุขภาพดีโดยไม่ตกเป็นทาสของการเสพรสอีกประการหนึ่งเนื่องโดยผู้ทาด้วยฉันทะต้องการผลของการกระทำโดยตรง และต้องการทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นอีกทั้งเขาย่อมได้ประจักษ์ผลที่เกิดต่อเนื่องไปกับการกระทำเพราะการกระทำคือการก่อผลซึ่งเขาต้องการความต้องการทำก็ดีการประจักษ์ผลต่อเนื่องไปกับกระทำทุกขั้นตอนก็ดีทำให้เขาได้รับความพึงพอใจความอิ่มใจปีติปราโมชความสุขและความสงบตั้งมั่นของจิตใจ ความตอนนี้อาจยกเอาคำบรรยายการเจริญอาณาปณสติในขุธการนิกายปฏิสัมพิธามักเป็นตัวอย่างประกอบณที่นั้นท่านกล่าวถึงว่าเมื่อผู้เจริญอาณาปณสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ฉันทาก็เกิดขึ้นเมื่อฉันทาเกิดขึ้นลมหายใจก็ละเอียดขึ้นกำหนดลมหายใจนั้นต่อไปปราโมทก็เกิดดังนี้เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ในทางธรรมะจึงจัดฉันทะเขาเป็นอิทิบาตอย่างหนึ่งอิทิบาตเป็นหลักสําคัญในการสร้างสมาธิฉันทะจึงทำให้เกิดสมาธิซึ่งท่านให้ชื่อเฉพาะว่าฉันทะสมาธิและจึงเป็นเรื่องส่งเสริมสุขภาพจิตตรงข้ามกับตัณหาที่ทำให้เกิดโรคจิตสำหรับฉันทะสมาธินั้น จากสังยุตนิกายมหาวารวักมีพุทธพจน์ว่าถ้าภิกษุอาศัยชันทะได้สมาธิได้ภาวาจิตมีอารมณ์เดียวนี้เรียกว่าชันทะสมาธิแม้ในกรณีที่ทำไม่สำเร็จคือไม่สามารถทำให้ผลของการกระทานั้นเกิดมีจนลุล่วงถึงที่สุดชันทะก็ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ทำให้เกิดปมปัญหาในใจ ทั้งนี้เพราะการกระทาที่สำเร็จผลหรือไม่ก็คือความเป็นไปตามเหตุผลเหตุเท่าใดผลก็เท่านั้นหรือเหตุเท่านี้ปัจจัยขัดขวางเท่านั้นผลก็มีเท่านี้เป็นต้นผู้ทำการด้วยฉันทะได้เริ่มต้นการกระทามาจากความคิดหรือความเข้าใจเหตุผลและได้ประจักษ์ผล ควบมากับการกระทำที่เป็นเหตุจึงไม่เกิดทุกข์หรือปมในใจเพราะฉันทะถ้าทุกข์หรือปมนั้นจะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะเปิดช่องให้ตัณหาสอดแทรกเข้ามาเช่นเกิดความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวตนขึ้นว่าคนนั้นคนนี้จะว่าเราทำไม่สำเร็จหรือว่าทำไมก็ทำได้เราทำไม่ได้ดังนี้เป็นต้น ความคิดลักษณะ น, นี้เป็นขั้นมานะแต่ต้องมีตันหายืนพื้นอยู่คือความอยากในความมั่นคงถาวรของตนซึ่งโยงต่อไปจนถึงมานะในตอนที่เป็นความอยากให้เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ทาสำเร็จตามหลักฝ่ายอภิธรรมถือว่ามานะมีโลภะเป็นประฐานและเกิดเฉพาะในจิต ที่เป็นโลภมูลหรือโลภสหะรคตคือประกอบด้วยโลภ พ, พูดอย่างง่ายๆมานะก็สืบทอดมาจากตันหานั่นเอง